ตนา 54321 เต็มได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ 106 ก็มาถึงอีกวัน ไม่ว้าวุ่นเท่ากับเวลาที่สายค่ะกลับมุ่งจะ โอกาสที่ใช่มั้ย 12 20 12 um, 20 ก็เป็นการปฏิบัติคล่อมออกใช่ออก 19 ก็ช่วงนี้เป็นเดือนก็ ซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นมีพวกใช่แล้ว ผมคิดว่าตามตามข้อมูลที่อาตมามีเนี่ยก็ลดขึ้นใช่ๆสาวมากขึ้นหนุ่มมากขึ้นถูกต้องมากเป็นปฏิบัติทางช่วงวัยเค้าเรียกว่าปัจฉิมวัยเอ่อปัจฉิมวัยนี่เมื่อก่อนจะเยอะๆของมัชฌิมวัยก็เริ่มมากขึ้นอีกต้องอบ บางทีเนี่ยเนื่องจากว่าคนอาจ 2 <ฮ ะ. S 1> อย่างนะอย่างหรืออย่างที่อย 2 <ฮ ะ. S 1> ก็จะแสวงหาหรือ 2 วิธีว่าเอ๊ะ<ฮ> <ฮ ะ. S 1> คือเค้าเจอความออกซึ่งในกรณีนี้ก็ๆมั้ยคะว่าเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมอืมแต่ คือที่ที่จะกราบเรียนถามท่านแห่งนี้เนี่ยต้องถามด้วยว่าคุณภาพของคนที่อายุน้อยลงแล้ว การอยู่ช่วงต้นปฐมวัยนี่ก็อย่างนึงล่ะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความที่ไม่ป่วยตัวเองแบบไม่มี คือคนที่ฝึกไม่ได้เนี่ยนะมหาบุรุษาบุรุษาก็ฝึกไม่ได้นะก็ก็มีๆฝึกเอ่อเพราะฉะนั้นถามว่าคืออะไร ใช่คำว่าอาพาธนี่แปลเป็นอย่างอื่นได้มั้ยคะเพราะดิฉันดูเหมือนกับเคยเข้าเนี่ยสมมุติเอาหิวข้าวอย่างเงี้ยเรามีเวทนาถูกไม่ชอบใจเอ่อคือ มันงงๆอยู่ในลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าอันใช่เป็นอาพาธก็คือมี 7 น, 8 วันก็อันนี้ก็ ไม่สบายกายและไม่สบายใจอันเนื่องมาใช่จะเรียกว่าเป็นอาพาธใช่มั้ยคะอาพาธเนี่ยมันค่ะสมมุติ อ่าเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลอยู่ในนั้นหลายๆคนก็ โอ๊ยแขนนั่งไปฝืนนั่งไปทนไปอ้าวมันหายป่วยขึ้น สนทนาถามท่านไปนั้นก็เป็นเรื่องว่าท่านไปนั้นก็เป็นเรื่องว่าเอ่อผู้ที่มาหลีก ยังไม่มีอาพาธโดยประการทั้งปวงอย่างเนี้ยท่านอย่าใจเย็นเพราะถ้าถึงมีอาพาธมากมันปฏิบัติยากหรือไงคะ คืนนะค่ะคู่แห่งม้าหรือคู่แห่งโคที่ควรฝึกแต่ยังไม่ แต่คนแก่ที่ฝึกแล้วนี่ดีกว่าคนหนุ่มที่ยังไม่ได้ฝึกแน่ค่ะอ่าเอ่อแล้วก็คนแก่ที่ <คะ. S 1> เป็นคุณสมบัติทั่วๆไปใช่จะทําให้ฝึกได้ดีกว่านะคะแล้วก็อ่าที่เรียน แฟชั่นคืออาตมาก็ไม่ค่อยได้ตามแฟชั่นเท่าไหร่ก็คงไม่ได้ใจว่าเป็นแฟชั่นแต่น่ะก็ คนหนุ่มคนสาวดาราคนดังส่วนใหญ่เลยเวลาให้สัมภาษณ์ค่ะท่านค่ะอ๋อมันบอกใช่ๆดีๆทําเลยๆด้วยค่ะทีนี้เอ่อผู้ แต่มีหมอเซคอร์สหน้าจองเลยดี wp ย่อแล้วก็ dhs.org dhs ก็ wpdhs.org มาจากดอนไฮโศกค่ะอ่า wp dhs.org อ๋อค่ะ การเดินทางไปติดต่ออะไรอยู่ในนั้นหมดเลยสมมุติ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องทางใจเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมมาก่อนก็ อาทิตย์ละเท่านี้ชั่วโมงเพื่อว่าไปนั่งมันจะ อย่างแต่ขั้นต่ําคุณต้องต้องเคลียร์ตรงไม่ทราบจะไปที่ไหน<ใช> เราก็สงสัยต้องอ่ายกยอดของเรื่องรายละเอียดอื่นๆไปสนทนา 106 ค่ะเราจะ ธรรมะของ